เรียกว่าเมื่อเรามีการกระทําถ้าไม่มีการกระทําก็ไม่สําเร็จจักทีเกื่งหลงก็จะเป็นความหลงอยู่เรื่อยไถ้าหลงเป็นรู้สึกตัวร่วมหลงก็จะจะแล้วแม้ยังไม่แล้วก็ใกล้จะแล้วถ้าหลงเมื่อไหรเป็นรู้หนึ่งข้างมันหลงรู้ ทำแล้วทางานแล้วมีงานแล้วเหมือนทุกข์รู้เหมือนโกรธรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ปกติใจนาเป็นปกติเหมือนมีอาการเกิดขึ้นต้องทำปล่อยทิ้งไม่ได้นี่จะว่กกรรมฐาน <c oughs> ไม่ใช่สอนให้รู้เรารู้ม า, มากแล้วแต่ไม่มีการกระทำ ยังมีกรรมฐานคือการงานแห่งการกระทำงานส่วนตัวตัวใครตัวมันทำเอาเองเห็นลาเราหลงเราก็หลงเองไม่มีใครเอา้าหลงไปยื่นให้เหมือนกับวัตถุสิ่งของไม่เป็นอาการเกิดกับนามกับกิตแล้วก็ลูกเข้าไป เอาวที่รู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานเรื่องนี้โดยตรงเอายังมีสติเอาไว้เพื่อใช้กับให้ทำงานตามได้จริงๆแล้วมันหลงรู้นะนต้วงปทุกข์ก็รู้มันผิดก็รู้ อะไรที่มันเกิดกับกิจกับใจที่เป็นอาการต่างๆแปดหมื่นสี่พันเรื่องทำได้สำเร็จแล้วมันสำเร็จมันก็งานมันแล้วจริงๆงานของกิจของใจของนามธรรมเนี่ยมันราบเรียบไม่มีสะดุดอีกนี่หเรียบชีวิตที่มีความเรียบ ียบที่สุดเหนือการเกิดแ่เจ็บตายนะนะเดี๋ยวนี้มันสะดุดไหมสะดุดความหลงไหมแต่ก่อนมันไม่หลงเห<ง>มือนปกติอยู่ความหลงเกิดขึ้นได้นะเพราะมีเหตุปีปัจจัยมีตามีหูมีจบกมีลิ้นมีไยมีใจเป็นวัตถุภายใน อัตถุภายนอกกม็มีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆสองอย่างนี้เมื่อมันสัมผัสกันแล้วก็ต้องมีขึ้นขึ้นมาเหมือนดาวเทียมเครื่องรับอะไราต่างๆที่มันมีขึ้นสัญญากันให้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นามวัฒทำคือจิตใจดีๆใจเดิมปกติเมื่ออย่างมีขึ้นเกิดขึ้นก็เหมือนน้ำทะเลมีลมพัดลมพัดน้มน้ า, นาก็เกิดขึ้นขึ้นมาสูงถึงสองเมตรสามเมตรสูงที่สุดถึงสิบกว่าเมตรยี่สิบสามสิเมตรสามารถยกเรือลบเท่าสลานี่ จา ก, จากทะเลขึ้นไปอยู่บนฝั่งประมาณาหนึ่งกมแมนบอร์นงข้กลมนล่ง้วกลมไปบง <c oughs> ังหล้ออาจารย์นันชินก็ไปดูเราอยู่เขาหลักจังหวัดพังงายกเหลือลบขนาดใหญ่เหลือเหล็กเท่าสาราขึ้นไปวางอยู่บนบก คลื่นมันใหญ่อันคลื่นที่มันอยู่ในชีวิตจิตใจเนี่ยก็ใหญ่เหมือนกันน่าหนาไม่อัคลื่นมันไม่ใช่น้ํามันมีเหตุมีปัจจัยแต่มันคลื่นใหญ่ก็ทําอะไรที่เสียหายมากคลื่นกิตเกิดกับจิตใจกักบกำนามมาทําเนี่ยแต่มันยิ่งใหญ่ก็ทําไม่ชิบหายได้เป็นปัญหาต่อโลก เป็นมหาตัวเราไม่พอยังเกิดปัญหาต่อโลกอีกขึ้นมันไม่ใช่นนั้นแต่ว่าเมื่อมนเกิดกับกิตแล้วมีสิ่งที่ตัดขึ้นได้เหมือนเดือขับน้ำหนักเป็นหลายตันตัดขึ้นได้ทำใหเรียบได้ อันขึ้นของกิจไม่เหมือนน้ามันไม่มีมันไม่เกิดขึ้นได้ถ้าเราได้ทำไปเหม้นหลงลู่ขึ้นมาตัดไปแล้วเหมือนเรือน้ำหนักหลายตันขับน้าหลายตันขับไปได้ผ่านได้ไม่กระทบกระเทือน ผู้มีสติไม่หวั่นไหวเพราะความหลงความทุกข์ความโกรธเด่นผ่านน่ะนี่คือธรรมธรรมอย่างดีเปลี่ยนหลงเป็นรูปปฏิบัติอย่างดีถ้าหลงเป็นหลงปฏิบัติอย่างเล็วไม่ค่อยจะได้ประโยชน์ประโยชน์เกิดจากความหลงนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย กะทุกปะเถือนความโกรธความโลภความทุกโดยทีเดียวตัวใหญ่มันคือภาวาที่หลงนี่จอขั้งแรกเมื่อลมีสติเนี่ยมันต้องเห็นหลงคู่กับความโลภความหลงความไม่หลงมันให้เราทำอย่าปล่อยทิ้งไว้ทำดูเมื่อลมีสติไปในกายเคลื่อนไหว มันจะเกิดไหลขึ้นนอกจากเราลู่สือ ก, กายเคลื่อนไหวมันจะมีหลายอย่างเกิดขึ้นมาแต่ลูกไปทั้งนั้นสนุกดีเห็นงานเห็นการปล่อยทิ้งมาได้คนทํางานชอบคือทำอย่างนี้เวียนหลงเป็นลูกก่อนงานชอบเวียนผิดเป็นถูกก่อนงานชอบเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ก่อนงานชอบ เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนโลกเป็นไม่โลกเปลี่ยนได้ที่เ ร, เเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีเรื่องร้ายทั้งหลายให้เป็นเรื่องดีเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาปัญหาให้เป็นปัญญาเรียกว่าปฏิบัติธรรม เ, เรื่องส่วนตัวของใขของเราต้องทำหมดเอเข้าให้ถึงเนื้อถึงตัวเข้าถึงงานถึงการอย่าเพียงลวกลวกคำคำ บางทีเราลูปคำมันโกรกก็ลูปคำความโกรธถือว่าเราซะทำตามความโกรธซะอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไม่ใช่ไม่มีการกระทำเรเลนมาเฉียดายมาให้ความโกรธพอจะแดงออก เสียผู้เสียคนเสียเปรียบความโกรคนอื่นก็กระทบกระทือนชงเงินกระทบกระทืนไปทั้งหมดหลยมีนะงานของเรานะี่งานอย่างนี้ยั ง, ย, งยังไม่เท่าไหร่เป็นงานเบาๆอยู่อนความแก่ความเจ็บความตายจะทำยังไงถ้าไม่ทำแบบนีไ้ไปก่อนจะทำได้เลย ปฏิบัติงานนี้มันจะเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายได้เรามีเราตัดฉินใจมาเราตัดฉินถูกตัดฉินมาแล้วเกิดมาไม่รูปไม่นามเกิดมาเราไม่เจ็ไม่เจ็ บ, มบไม่ตายเกิดหนึ่งคนก็นตายหนึ่งคนเกิดสองคนตายสองคนเจ็บแกบ่ตายไปด้วยนี่คือมันตัดฉินมาแล้ว ที q, like ่เราจะต้องมาเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั่นเลยวประศักของโกรธเฉยๆก็ทุกข์นะถ้าคมทุกข์จริงๆทำไงปวดหอยใจไม่ได้ทำไงเก็บปวดเพิมีลูกรูโลกนะไม่ใช่ของดีนะเป็นรูโลกนะน้โลก ลมล้อนความหนาวความเก็บมีหัวใจก็เป็นโรคหัวใจมีตับมีไตมีปอดมีอะไรมีเลือดมีน้เหลืองมีอะไรก็มีโรคน้องสาวน้องต๋าเป็นโรคตายไปแล้วโรคเบาหวานตายไปแล้วเปปโผก็ดูกเก็บไม่ได้เลยมันก็ดูกผุหมดเลย นัมนไปกันใหญ่เลยลูโลกโกรกแ ท, ะทะ้ๆ น, นะนั้นเราไม่ศึกษามานาจะคอยลับลบาปรับกรรมไปเลยให้หลงเป็นหลงให้โกรธเป็นโกรธให้ทุกข์เป็นทุกข์อยู่เช่นั่นตลอดไปเลยกรรมปฐานทำให้สำเร็จนะมันหลงลูกเอาเถอะมันจะอ่อนล้าลความหลงน่น มันหลงที่ได้รู้ว่าหลงไปรู้ไปแล้วอันมันกมันก็มัก็กระทบกระทือนไปถึงความโกรธความโรคความทุกข์ถ้าได้ถ้าได้ตัดลากมันตัวนี้เสียก่อนกุกอกุศลนเนี่ยลากเก้าของอกุศลนะภาวะที่หลงเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งให้มันแล้วไปจ้า ถ้าเราทำอย่างนี้มันจะมีความหลงเป็นขั้งสุดท้ายได้ถ้ามีความหลงเป็นขั้งสุดท้ายความโกรธความโลภความทุกข์ปัญหาต่างๆจะค่อยหมดปอยบางอย่างไม่ได้ทำอะไรมันหมดไปเลยมีสิลจึงรั่วมีสินเพราะสิ่งนี้หมดไปเงินสุของอมเหมือน ลูกไม้เหมือนพุชสาวันจุกเต็มที่เพื่อ เ, เมื่อเขยโหต้นเดี่ยวมันก็หล่นลงเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่บางอย่างต้องมิ้นต้องสอยออกจึงมีการกระทำตามงานตามกรรมที่มันเกิดขึ้น กรรมปการกระทเมื่อไม่มีการกระทากรรมก็จะไม่มีเช่นความคิดคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องความรักความรักก็ยังมีคิดเรื่องความโกรธความโกรธก็ยังมีคิดเรื่องผวมทุกข์ความสุขความสุขความทุกข์ก็ยังมีเพราะเราไปทำทำทางนามธรรมา ท, ำทำทางคิดใจนั่งอยู่นี่มันคิดไปไหน นอนอยู่นี่มันคิดไปไหนยืนเดินอยู่นี่มันคิดไปไหนอะไรมันหิ้วไปบ้างถ้าไม่มีสติถ้ามีม ส, ต, ต, มสติก็กลับมาได้ในความหลงกลับมาลู้ได้มันคิดลู่ได้มันไปไหนลู้ได้กลับมาได้นี่กรรมมันตั้งไปนี่ฐานอยู่ที่นี่ คู่แขงเข้าเหยื่อข่ออกเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสิทธัตถะทำมันแรกที่จะได้ตัดฉลูมีสติมากระโดดคอยคู่แข่งเข้าเหยื่อแข่ออกม่สติมันชิดไปไหนถึงกับเรียกว่ามารกิเลสบาลเกิดทางความผิดขันธมารมัจจุมมาร แตว่บบตาปัจจุนมันหิวไปไหนล้วก็รู้ขึ้นมาว่ารู้ที่หนึ่งรู้ที่หนึ่ง ก, ก็มันก็ <c oughs> มีการก็ะทำไปขึ้นเรางานก็พ่ายแพ้ได้ทำย่อมชนะอารรมอยู่เสมอ โอ้มันไม่จริงอะทำนรวมหลงมันไม่จริงรวมรู้สึกตัวมันจริงรวมทุกมันไม่จริงรวมรู้สึกตัวกันมันจริงอะไรที่มันเกิดมันเกิดมันเกิดมันเกิดที่เป็นม่ไม่เป็นขึ้่นจ้ะตัดได้หมดเราจะเปรียบสติเหมือนกับใบมีดรถแท็กเตอร์ ตัดคลื่นที่มันเป็นหลุมเป็นบอให้เรียบได้หานไปตรงไหนเรียบตรงนั่นนะสติเป็นอุปมาเหมือนอย่างนั่นจริงเมื่อมันเรียบเกิดขึ้นเราเกิดศินเกิดสมาธิเกิด น, นะศินคือปกติแล้วไม่หวั่นไหวต่อความคิดไม่หวั่นไหวต่อความโกรธความทุกเพราะมันมีปกติเนียกว่าศีลเกิดขึ้นแล้วตามไป สมาธิเกิดขึ้นวิ่แนวแน่มั่นคงตรงไปเลยอะไรที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าที่ตรงปฏิบัติตรงมันหลงตรงตัวโกมไม่หลงเขารบโงไม่หลงโอความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมตรงมาอยา่างนี้เขาลบนี้ท้าวเจ้าเคารพแบบนี้ท้าวาเจ้าเคารพพระธรรม รับความถูกต้องหลงไม่ถูกอ่ะโกรธโลกทุกข์อะไรต่างๆไม่ถูกถ้าทำมนี่มกันแล้วไม่เหมือนรูปนะรูปต้องกินข้าวต้องถ่ายต้องนอนต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องคลมผ้าต้องหายใจเข้าออกต้องพิบปาต้องเกิดน้ำลายซ้ำอยู่ในโลกนะไอ้เป็นธรรมชาต แต่เพื่อใช้ในการนี้ขอบคุณที่มันมีรูปเนี่ยจะได้ใช้งานมันเหมือนมีพวงมีแพ่มันหลงที่รูปที่รูปที่หนำ่ำหลงกับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์มากจากรูปจากนามยิ่งพวกเรามาเป็นนักบวชอาศัยอุ บ, บายการบวช บวชทั้งกายก็ดีบวชทั้งคิดใจก็ดีไม่เป็นอุบายที่บวชเป็นอุบายมื่ออยู่วัดอยู่ว่างานอยู่วัดก็ทำให้เราสะดวกไม่ต้องไปคิดถึงอะไรไม่มีภาระอะไรไม่มีอะไรไมากระทบกระเทือนมีแต่ความคิด ที่มันจะได้เห็นมันไม่มีอะไรปิดบังมันตรงเลยทีเดียวอะไรไม่ทำแล้วมานั่งอยู่ฉันข้าวเสร็จแล้วอุ้มบาดมานั่งบนกติตั้งกายให้ตรงมิสติไม่มีลูกไม่หลานมารบกวนไม่มีใครมาแยง้งไม่มีอะไระที่จะมาทำให้เราหลง มีแต่เราเกิดหลงฉากกายจังใจเราเนี่ยมันก็จะเห็นเหมือนน้าที่มันนิ่งอะไรที่มันเกิดเพื่อเอื้มนิดหน่อยก็เห็นเสียงที่มันสงบเมื่อไม่เสียงเกิดขึ้นก็ได้ยินแต่มันไม่สงบอะไรเสียงอะไรรบกวนก็ค่อยได้ยินนี่การปฏิบัติธรรมเราต้องอาศัยสิ่งแวดล้ลอมพอทุกข์ขวน แล้เราก็เป็นมีตเป็นเพื่อนกันแล้วบอกกันได้เรียนมาตามพ่อกรมาตามครูเรามีสิทธิ์ก็ต้องมีครูหลวงพ่อเทียนเป็นครูของเราสอนให้เรารู้จักชีวิตตัวเองรู้จักธรรมะเมื่อรู้จักธรรมะก็รู้จักว่าพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมรู้จักพ ร, ระสงฆ์เธอคุณธรรมพระธรรมอยู่ในหัวใจของเรา พระพระเจ้าในหัวใจของเราพระสงอยู่ในหัวใจของเราอยู่กับผู้ใดคนหน้าเคารพคําว่าธรรมนะอยู่กับผู้หญิงผู้ชายอยู่กับลูกกับหลานกับพ่อครัวผัวเมียเขาดังเคารพเพราะมีความดีเพขาทําความชั่วออกไปหมดแล้วพึ่งพอใยกันได้นี่คือธรรมะพระเจ้าเคารพพระธรรมอ่างนะี้เป็นมาแล้วกําลังเป็นอยู่ เน่เป็นไปด้วยข้างหน้าด้วยความผิดก็ตรงเป็นความผิดเลยไปความไม่ผิดก็มีความไม่ผิดเลยไปความเป็นธรรมก็มีความเป็นธรรมเลยไปความไม่เป็นธรรมก็มีความไม่เป็นธรรมเลยไปต้องเคารพความเป็นธรรมใช้ชีวิต้ดยเคารพความเป็นธรรมจะอยู่ดวงใจด้วยความเป็นสุขเป็นความสงบร่มเย็นปฏิบัติธรรมแล้ว เราทำส่วนตัวแต่ไม่ผลกระทบไปไกลถ้าเราดูตัวเองรักษาตัวเองก็ไม่มีอะไรผิดพลาดทำให้ก็าเหนืดอยโนมันหลงรู้ขึ้นมายังไม่ได้พูดออกไปเลยยังไม่ได้ทำอะไรออกไปมันเกิดหลงขึ้นมากระู้สิยแล้วไม่ได้ให้ความหลงใช่กายใช่ใจถ้าให้ความหลงมันครอบครับใจ ในกายในใจแล้วโอ้ทาได้ทุกอย่างฆ้าตัวเองก็ได้ฆ้าคนหนึ่งก็ได้ทําอะไรได้ทั้งหมดเลยถ้าเรารู้ถักหนุเราลักษ า, าตัวโราไม่มีความก็ะทบตัวเึิงเกินเรียบเลยนะแม้มนชีวิตมันเรียบจริงๆนะเรียบกว่าอะไรทั้งหมดเลยชีวิตไม่มีอะไรกระทบกระเทือนนะมีแต่ เมตตากรุณาเมตตาเปขาวางอุเปขาไม่เมตตาคิดจังใดปรกกอด้วยเมตตาอยู่อย่างสบายนอนก็หลับชินก็ได้มันเรียบเลอเกินชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เรียบนะคลื่นเยอะแ ย, ะ, ยะไปเลยนะหิ้วไปไหนบ้างถ้าเราฝึกมันเรียบเมื่อนิสงมาก ลึกหัตถ์เยไม่มีอะไรกระทบกขเตือนไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดในโลกเลยผู้เข้าสี่เหลี่ยมทึบมันจะเถือนผู้หลมผู้ฝึกต้นดีแล้วไม่หวั่นไหวเพราะนินถาเพราะเฉินเฉินเพราะสุขทุกข์อะไรต่างๆนี่คือมันจะมีค่าอย่างนี้ชีวิตเราที่ได้มาที่ได้รูปได้นามมานี่ถ้าไม่ศึกษาปฏิบัติจะเป็น นทนขี้ทุกข์อมทุกข์มากกว่าสัตว์อื่นหนังก็บา ง, บางยุยงกัดก็ตาอะไรก็ทุกข์มากไม่เหมือนไก่ไก่เขามีขนนอนที่ไหนขนตกก็ไม่เปลี่ยนยุงก็ไม่กัดได้นกนกระนอนอยู่บนโต๊ะ มันพองขนขึ้นกลมไปเลยมองไม่เห็นหัวเห็นขาละมองไม่รู้จักตัวนกเลยดูดีๆมันเป็นนกนอนมันพองขนขึ้นกลมเหมือนกับประตูเสิงของนคนเราต้องอาศัยอะไรมากมายการอยู่การจินการใช้ชีวิตเนี่ย น่าสงสารโกษสะตื่นถ้าไม่ศึกษาปฏิบัติเจ้าทุกเจ้ า, จายากยุทของคนเหล่านี้นะถ้าปฏิบัติแล้วโอ้ประสริฐจริงๆได้ประโยชน์จากมันนันรูปนันนามนี่ยใช้ได้สาเร็จจนมันไม่มีงานทำนั่นะปฏิบัติทรนมะนให้ ใส่ใจสักหน่อยใส่ใจเรื่องชีวิตเขาอย่าปล่อยทิ้งมีสติเป็นเจ้าของดูแลมีสติเป็นเจ้าของกายของใจดูแลให้มันคุ้มมันไม่มีอะไรเท่าไหร่ดอกบางทีบางทีถ้าเราไม่ดูแลเพียงแต่ความคิดเฉยก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เพราะความคิดนี่้อยทั้งลอย มัน ท, ทั้งไม่มีอะไรอมเมันล่ายกวัวเสือขวมคิดเนี่ยทำร้ายคนม า, มากแล้วแค่นี้เราก็ยังทำไม่ได้เลยแล้วถึงเขาเจ็บเขาตายทำไมเพียงความคิดเฉยๆก็เป็นทุกข์แลปอบบางจริงๆเราจึงไม่ควรประมาทนะเธอมาอยู่ด้วยกันเนี่ย มาศึกษานี่ยไม่เป็นโขเป็นกรรมเป็นงานของเราแท้ๆลงมอพลิกมือขึ้นยกมือให้รู้สึกตัวที่อะไรไม่จะเกิดขึ้นนอกจากความรู้สึกตัวแล้วจะได้ทํามันจะได้ทํามันเป็นงานของเราพลิกมือขึ้นรู้จึกตัวรู้สึกตั ว, ตวถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับรู้สึกตัวอะไรไปมันก็ไปของมันเองรวมรู้สึกตัวก็ไปเฉยไปจากความลง ไปแล้วอย่าไปหาไม่ได้หาไม่ได้หล่อพลิกมือขึ้นกับรู้ทันทีหรือหาหเจ้าเข้ากับรู้ทันทีหาหเจยวกับรู้ทันทีเป็นทั่วรู้ทันทีทันทีปัจจตังทันทีผู้ที่มีการศึกษาต้องทำด้วยตัเองเป็นปัจจตังแก่เองเปลี่ยนเอาเองรู้เอง อยู่ในตัวมันเองคนละมุมมันแม้มีฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เกิดจากตัวเราเนี่ยความหลงเป็นฝั่งหนึ่งความไม่หลงเป็นฝั่งหนึ่งควงมทุกข์เป็นฝั่งหนึ่งความไม่ทุกข์เป็นฝั่งหนึ่งข้ามได้ข้ามไปได้ข้ามความหลงเป็นความรู้ไม่เหนื่อยเหงื่อไม่ออกไม่ได้มีจริยาอะไร ไม่ยากมันไล่โยงไล่โยงต้องเอามือไปไล่แต่ไล่ความหลงในเพียงเต็บรกรรมการกระทาคือความเปลี่ยนหลงเป็นรูอยู่นิ่งๆก็ได้นี่มันจึงเป็นงานที่เราต้องทำแล้วก็ถูกต้องที่สุดเลยเป็นการ ปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นงานชอบถ้ามีความหลงเป็นโลความํำดีก็ชอบความพูดจาก็ชอบความคิดก็ชอบกานงานก็ชอบความปากเพียนก็ชอบสติก็ชอบสมาธิปัญญาก็ชอบชอบไปหมดเลยเหมือนลุ่งก็ลุ่นก็หลงเป็นโลูโล่โ เสียงเงินเสียงทองได้กระแสแห่งนไฟา槃คนจเจริญชติกดฏฐานที่ได้กระแสแห่งพระไฟ涅槃อะไรที เ, เ, เดียวผมเห็นกระแสเห็นหลงก็เห็นรูเห็นความทุกข์ก็เห็นความรู้ควารู้ไม่เป็นอะไรจนถึงภาวะไม่เป็นอะไรกับวะไรอันนี้สงฆ์ข้อความรู้จากตัวยิ่งใหญ่มาก เหนือลูกไม่เป็นอะไรกับัะไรมันหลงเห็นมันหลงเหมือนทุกเห็มันทุกไม่เป็นอะไรกับมันเป็นกิริยาเป็นเพียงกิริยาอาการที่มันเกิดขึ้นกับลูกกำน้ำจะให้สุขให้ทุกไม่มีโลสชาติแบบนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีพอใจไม่มีไม่พอใจ มีแต่เห็นไม่เป็นอะไรถ้าถ้าชำนาญแล้วเป็นศินละปะเป็นยานเป็นฌานไม่วาดไปเลยชาชาปะนะฌานะไรเอ้ว่าเผาไม่ไปเลยหายไปเลยเห็นอะไรไม่ไปเลยไม่มีโลชชาเห็นสุก ไม่มีสุขเห็นทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีรสชาติมันเป็นฌานสติเป็นฌานอย่างยิ่งลนะสุขละทุกข์มีแต่ความรู้จึกตัวไม่เป็นไรกับไรในนี้ผ่านบันนี้ชิมลองไปดูก็ดีนะนี่ผ่านชิมลองเห็นไม่เป็นเนี่ยกะระแสพนันธุ์ปานเข้าไปแบบนี้ ต้องเป็นเรื่องนี้ชีวิตเราถ้าไม่มีเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมพุทธศาสนาถ้าไม่มีเรื่องนี้ไม่รู้ว่เราจะนับถือไปทํำไมสร้างวัดสร้างว่ า, า, วาบวถ์รูปวรวรรนทําบุญอะไรต่างๆมากมายเพื่อการนี้โดยตรงมีผู้บอกมีผู้พูดได้ฟังมีผู้ทําตามก็จังจะเหลืออยู่ถ้าไม่มีใครบอกใครพูดใครทํา มีผู้ฟังมีผู้พูดมีผู้ทาตามมันก็เหลืออยู่ม่ไ ม, ไม่มันก็มีอยู่แต่มันไม่มีประโยชน์นักปฎนิพานมีอยู่แล้วเมื่อไม่มีผู้คนพวกมัมีอยู่อย่างนั้นภาวะไม่เป็นอะไรมีอยู่แล้วในชีวิตเราแต่ความเป็นอะไรมันกบเกินไปแต่ความไม่เป็นอะไรไม่อยู่รองโดยชื่อเห็นไม่เป็น มีแต่เห็นไม่เป็นมันจะเป็นยังไงเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจาความหลงแน่นอนเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธเห็นความทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์เห็นทุกเรื่องที่มันเกิดกิดไปเกับใจเนี่ยนะเห็นมันเก็บไม่เป็นผู้เก็บพ้นจากความเก็บ เห็นมันจะตายเหลือน้อยน้อยโอ้ดีมากนะเหลือน้อยน้อยเหมือนเส้นใหญ่น้อยน้อยก็ดูกระดิกไปได้ตองนั่นนะกระดูกระดิกไปนิ่งมือสง่างามเลยสงบเสงฉยมเหมือนคนเดินไต่เชือกกขว่าเห็นไหมไอพี่เหนื่อยคนไต่เชือกเ่เห็นจังไหนไต่เชือก ต่เชือกเส้นเล น, น้อยเอาต่ได้ดนะเขาชอบเสียงกระดงหลวงพ่อไปส2บสองปันหนอเห็นแพหรอือเห็นแพใช่ไหมต่เชือกเอาดิงขี่หลังเลยอันแพมันสีขาแพเล็กแกะก็ไม่รู้หรอสบสองปันหนาใครไปก็จะไปดูตรงนั้นนะ ประเทศจีนนะแพะเอาไต่เชื่อเอาลิงขี่หลังแล้วก็ขึ้นเองขึ้นแล้วก็ไต่ไปเองไต่ไปก็กลับมาไต่ไปก็มาหนอะไรทำไมทำทำอะไรเขาฝึกอะไรเขาก็ฝึกแต่เสือก็ฝึกหมีก็ฝึกใส่เชือกคุย เดินอยู่ใส่หมวกเดินก็ไปจับแขนไม่กระดูกก็เดกจับแขนมเนี่นั้งเดินยิ้มหมีน ะ, <c oughs> ะมีคนแย่งกันไปถ่ายรูปนะเนี่ยฝึกมันนิ่งโอ้มนุษย์เนี่ยอะไรเนี่มันก็ดีกว่านล่นหรมถ้าไม่ฝึกมันก็ลายนะมีประโยชน์มีพิษมีภัย เราต้องฝึกหัดเ็ลแล้วมีกรรมฐานเ็ลแล้วทุกวันเนี่ยนานเหลือเกินเราเกินมาตายไปเท่าไรแล้วสนพี่ก็ไม่ค่อยได้สนน้องก็ไม่ได้บวดมานี่มาอยู่นี่สี่สิบห้าสิบปีน้องสาวไม่มาปฏิบัติสักทีฉันตายนี้อยากนนะเออเออเชื่อไม่ได้นะ แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรตามท้อวรนะ <S <S ให้ความสาคัญต่อกันเถอะพวกเราคนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยเป็นคนที่มีความสำคัญที่สุดอย่าปล่อยกันทิ้งต้องบอกต้องสอนกันเนะ <S <S ถ้าไม่มีความสำคัญต่อนคนที่อยู่ใกล้เราเนะมันจะพลาดเสียดายแก้ไม่ได้ชั่วโมงหน้าจะไปอยู่ที่ไหน ได้ไม่ช่วยอะไรกันเลยนะนี่เห็นกันอยู่ในพูดให้ฟังอย่างนี้ช่วยกันอย่างนี้จะได้ไม่บกพร่องท่านทุกเรงก็บอกว่าไม่ถูกแล้วได้เย็นไหมทุ ก, กเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกนาะบอกแล้วนะมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนะให้ทํำลงปไปมีผู้บอกแล้วมีผู้ทําได้แล้วสิ่งที่ท่านหลง คนอื่นเขาไม่หลงกันแล้วคนอื่นมีแล้วนะสิ่ง ท, ที่ท่านไปทุกคนอื่นเขามาทุกกันแล้วจิตงที่านโกรธคนอื่นเขามาโกรกกันแล้วต้องเคลื่อนที่แล้วต้องปฏิบัติที่แล้วถ้ามันยังหลงอยู่ก็ต้องปฏิบัติอย่าดูว่าโอ้ยยากกับลูกกับหลานไม่ไม่ใช้อมันหลงไม่ได้อุ้มลูกอุ้มลูกอยู่ก็ยังเปลี่ยนได้ อยู่ที่ไหนก็เปลี่ยนได้ความหลงนะยืนนอนเดินนั้งไหนได้หมดแต่ไม่ทำอเอาไว้เยอะปล่อยที่งไว้งามอนากรุรจะกรรมมันตางานงา น, งานยุ่งเหยิงสับสนไม่ทําให้เสร็จจั้งทีไม่เป็นมงคล น, นากรุรจะกรรมมันตางเอ้นากุรจะกรรมมัตางงานไม่ยุ่งเหยิงสับสนเป็นมงคลไม่ปล่อยทิ้ง อย่างนี้นะให้เย็นไว้บอกลรวล่ะช่วโมงหน้าแล้วจู่ที่ไหนก็ไปร้วอ้อสองานเจอล่ะกับเผาพ้องกันอะลังสมาสมุทโธภากรวา